เรื่องสัมมเนรีหนึ่งเรื่องสมัยนั้นในกรุงเวสาลีเจ้าชายฤฉวีทั้งหลายจับภิกษุให้เสพเมทุนธรรมกับสัมเนรีเธอทั้งสองยินดีพึงให้ศึกเสียทั้งคู่ทั้งสองไม่ยินดีไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่73สาม